เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําำทําอย่างไรอย่างที่เคยพูดกันมาตลอดต้องขอทบทวนสั้นๆวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าจัดไว้ง่ายๆเอาตั้งแต่อรันยาคโตวาลุกขมูลคารุวญญาชุนยาคารกโตวาหาสถานที่ก่อนนี่ไม่ต้องหาแล้วมีอย่างที่มีแล้วนี่แหละบนผืนอาัสานะคือที่ของเรานอกนั้นไม่ใช่อมีแล้ว บาลังกังอาพุทจิตวานิสีดตินั่งคูบาลังนี่ขั้นที่สองเอานั่งคูบาลังคูบาลังหมายความว่าม้วนไข่ม้วนขาเข้ามาเราจะนั่งประเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้จะนั่งขาขวาทับขาซ้ายก็ได้สุดแท้แตนะ่นั่งให้เรียบร้อย นี่ขั้นนี้เรียกว่าขั้นเตรียมกายส่วนท่านที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งให้ตัวตรงวางเท้าให้วางเท้าไว้ให้นิ่งนั่งตัวให้ตรงอืนี่ขั้นที่สองขั้นต่อมาปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวา คือดำรงสติอยู่เฉพาะหนะ้าอ้าวตรงนี้ทํำยังไงไอ้ข้อหนึ่งก็อสองได้แล้วนะหนึ่งหาที่นั่งได้แล้วสองนั่งมวนขาเข้ามาดั้งกันได้หมดแล้วสปริมุขังสติงอุปัตเตะตวะก็คือการดํารงสติอยู่เฉพาะหนะ้าคืออะไรดํารงสติอยู่เฉพาะหนะ้าตอนนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วต้องหลับตาลงแล้วหลับตาลง หลับตาลงเพื่อดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคำว่าหน้าหมายความว่าให้ระลึกมาที่ใบหน้าของเราจิตเราอาจจะไปก่อเกี่ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องตอนเย็นเรื่องตอนเที่ยงเรื่องตอนเช้าเรื่องคนนั้นคนนี้แต่ตอนนี้ไม่ละมาดำรงเฉพาะหน้าที่ใบหน้าของตนมารู้สึกที่หน้าผาก หน้าของเรามีกี่จุดทั่วบริเวณใบหน้าเรียกว่าม un ุขบุญทนด้านบนเป็นหน้าผากรู้สึกระลึกอยู่ที่ใบหน้าบนหน้าผากของตนเองดูที่แก้มซ้ายแก้มฝาให้มารู้สึกที่แก้มซ้ายรู้สึกแก้มฝาด้านล่างเป็นคางเหนือคางเป็นปากเหนือปากเป็นจมูกเหนือจมูกเป็นตาสองข้างเหนือตาสองข้างเป็นคิ้วซ้ายคิ้วฝาด้านบนคิ้วก็เป็นหน้าผากอย่างเดิม รู้สึกหมุนวนไปวนมาอย่างนี้เรียกว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าให้ระลึกไปช้าๆไม่ต้องรีบร้อนเรามีเวลาเยอะระลึกไปดูที่ใบหน้าของเราถ้ามันหลุดออกไปจากใบหน้าเราก็ดึงกลับมาหลุดออกจากใบหน้าเราก็ดึงกลับมาหลุดออกจากใบหน้าเราก็ดึงกลับมาเนี่ยใบหน้าของเรา เมื่อระลึกไปทั่วที่ใบหน้าอา้าวต่อไปเราก็จะวางเขาไว้นิ่งด้วยการวางไว้ที่ลมหายใจทำอย่างไรก็หาที่ซึ่งจะคอยรู้ลมหายใจเราจะรู้ลมหายใจตรงไหนที่เป็นจริงที่สุด เราจะรู้ลมหายใจตรงไหนที่เป็นจริงที่สุดต่อการเดินของลมลมของเราเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกที่ช่องจมูกทดสอบลมหายใจของตนเองที่เข้าที่ออกช้าชาสั้นสั้นยาวยาวหยาบหยาบแรงแรงทุดแท้แต่ความถนัดแต่ให้มันรู้สึกว่ามีลมหายใจเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกที่ช่องจมูกตรงนี้คือทางเดินของลมหายใจของเรา แล้วเราจะให้มันนิ่งเพื่อที่จะจ้องดูจ้องรู้กาลมหายใจของเราตรงไหนเราก็ทดสอบง่ายๆด้วยการหายใจเข้ายาวๆให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นนิ่งๆ หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจว้ตั้งใจว่าเราจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจค่อยๆไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกตะลมหายใจออกนั้นตรงไหนที่เรารู้สึกตะลมหายใจของเราได้ชัดตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของจิตรู้ของเราหาตรงนี้ขึ้นมาให้ได้มันจะอยู่ตรงแถวช่องจมูกนี่แหละของใครของมัน หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้น mm. เมื่อได้ที่รู้ต่อลมหายใจของตนจากนั้นเราก็เริ่มรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไป mm. เมื่อลมหายใจเข้าเราก็รู้อยู่ตรงนั้นรู้ตั้งแต่ต้นลมในขณะที่ลมเคลื่อนเข้าไปและ ปลายลมในขณะที่ลมสุดจากนั้นก็รู้ลมที่ไหลออกอีกให้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจว่าถ้าเรารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมหายใจนั่นเรามีสติหนึ่งครั้งของการหายใจออกเลือกการรู้นี้แหละเป็นการภาวนาเบื้องต้น เมื่อลมหายใจของเราเริ่มเคลื่อนออกมาเราก็รู้สึกต่อลมหายใจนั้นซื่อๆตรงๆ ง, ง่ายๆไม่ต้องมีนัยยะอะไรไม่มีคาถามอะไรไม่มีข้อสงสัยอะไรไม่มีข้อแปลกประหลาดอะไรไม่มีนัยยะอะไรที่เป็นความลับเลยแค่เมื่อลมหายใจเริ่มเคลื่อนไหลออกเรารู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลออกนั้น จากนั้นเราก็รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าอย่างนั้นรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกอย่างนั้นรู้สึกกับลมที่หายใจเข้าอย่างนั้นรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกอย่างนั้นไปเรื่อยๆอะไรเกิดไม่มีที่จะต้องไปใส่ใจยึดถือให้เป็นสาระในขณะนี้เรามีแค่ จิตที่รู้กับลมหายใจที่ถูกรู้อยู่ตรงนั้นเรานั่งไปแต่มันเกิดความปวดความเมื่อยความเข็ดความคันความชาที่ส่วนใดของร่างกายเราก็แค่รู้เหมือนกันไม่ขยับก็ไม่จำเป็นต้องขยับถ้าทนได้ไม่ต้องขยับแค่ยกจิตไปรู้รู้เสร็จแล้วยกจิตกลับมารู้ลมหายใจต่อถ้าเราปวดที่หัวเขา่าปวดที่เท้าปวดที่ขา รู้สึกปวดและดูซิว่าเอาความปวดวางไว้ตรงที่มันปวดได้ไหมวิธีวางความปวดไว้ตรงที่มันปวดก็คือให้จิตไปรู้ความปวดที่มันเกิดแล้วยกจิตที่รู้นั้นแหละกลับมารู้ลมหายใจดูว่าได้ไหมถ้ายกจิตกลับมารู้ลมหายใจได้นั่นหมายความว่าความปวดที่เกิดมีกำลังน้อยกว่าสติของเรา ถ้าเกิดความปวดขึ้นที่ใดก็เอาจิตหยุดรู้ลมหายใจก่อนให้ไปดูที่ความปวดนั้นว่าความปวดเกิดขึ้นที่หัวเข่าความปวดเกิดขึ้นที่เท้ามันเกิดที่ไหนรู้ตรงนั้นพอรู้แล้วเนี่ยต้องแยกชัดว่ารู้นี่อย่างหนึ่งปวดนี่อย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งปวดอย่างหนึ่งปวดที่ข้อเท้าความปวดนั้นอยู่ที่ข้อเท้าเข้าไปรู้ความปวดที่อยู่ทึงข้อเท้านั้น แล้วลองวางความปวดนั้นไว้ด้วยการยกจิตที่รู้กลับมารู้ลมหายใจดูว่าได้ไหมถ้ายกจิตกลับมารู้ลมหายใจได้แสดงว่าความปวดมีกำลังน้อยกว่าสติของเราสติของเรามีกำลังมากกว่าความปวดนั้นเราก็รู้ลมหายใจต่อไปทิ้งความปวดนั้นไว้ตรงที่มันเกิด แต่ถ้ามันปวดมากขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มมาเสียดแทงจิตของเรานั่นแสดงว่ามันเริ่มมีกำลังมากกว่าไม่เป็นไรเราจะใครยับปรับเปลี่ยนอิริยาบถของเราจากนั่งท่าหนึ่งก็ไปถูกการนั่งอีกท่าหนึ่งได้เหมือนกันแต่จะต้องได้ด้วยสติคำว่าได้ด้วยสติเหมือนเรากำลังหาของอยู่บ่าซ้ายแล้วเราจะไปเปลี่ยนอยู่ที่บ่าขวา มันจะต้องค่อยๆจับค่อยๆประคับค่อยๆประคองค่อยๆเคลื่อนค่อยๆย้ายด้วยการรู้อย่างต่อเนื่องเท่าทันละเอียดรอบครอบและวนั้นเราจะปล่อยให้เวทนาที่เกิดขึ้นเสียดแทงจิตของเราแล้วพลุนผลเปลี่ยนเพื่อให้จิตมันเรียกหาความสุขอย่างนั้นเรียกว่าเปลี่ยนด้วยอานาจของตัณหา แต่ถ้าความปวดที่เกิดแล้วมันปู่เราปวดมากเราเออตั้งไว้เลยมันจะเป็นอันตรายต่อการภาวนาของเราเราก็ใช้สติไปจับและค่อยปรับเปลี่ยนช้าๆด้วยจิตที่รู้สึกเหมือนกันเมื่อปรับเปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จแล้วยกจิตกลับมาที่ลมหายใจแต่ถ้ายื้อกับเขาได้ยื้อต่อไปยื้อต่อไปถ้าเมื่อใดที่เราสามารถวางเวทนาไว้ตรงที่มันปวดแยกจิตออกมารู้ลมหายใจได้สติตัวนั้นมีกําลัง มากกว่าเวทนาที่เกิดนั่นคือการพัฒนาของสติของเราเราก็รู้ลมหายใจของเราต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่นั้นเกิดเเกิดสภาวะขึ้นมาสภาวะหยาบเราสามารถที่จะรับได้ด้วยอายตนะเช่นว่าเสียง ได้ยินกับหูกลิ่นได้รับกับจมูกกายได้รับกับสิ่งสัมผัสแต่สภาวะหยาบที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ลมหายใจนั้นมักจะมีเพียงแค่เสียงถ้าเราได้ยินเสียงอันใดก็ตามเราก็แค่รู้ว่ามีเสียงเกิดขึ้นแล้วยกจิตกลับมารู้ลมหายใจใช่ ไม่ใส่ใจในเสียงที่เกิดไม่ใส่ใจในเสียงที่เกิดหรือในขณะนี้เรารู้ลมหายใจได้แล้วจิตรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าได้อย่างต่อเนื่องแล้ว เรียกว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตจิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นักขณะ น, นี้แล้วมันเกิดเป็นสภาวะภายในขึ้นมานอกเหนือจากเวทนาคือความปวดความเจ็บความคันความชาเหล่านั้นจิตเกิดความคิดที่มีการเคลื่อนไหวทางความคิดเกิดขึ้นทำอย่างไรเราก็แค่รู้ ในขณะที่จิตรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลออกรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้ารู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลออกรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไม่ไปไหนเลยไม่วกแวกหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้เรียกว่าจิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ผูกอยู่อยู่กับลมหายใจอย่างนั้นแล้วมีความคิดเกิดขึ้นมันก็ไปเห็นความคิดนั้นเข้าเมื่อจิตรู้อยู่ลมหายใจแต่ไปเห็นความคิดเคลื่อนไหวขึ้นที่จิตก็ดูความคิดนั้น ดูความคิดนั้นที่มันเกิดแค่ดูว่ามีความคิดเกิดปั๊บมันดับทันทีพอมันดับเสร็จจิตเราก็แรกๆเราก็ยกมาเองพอพอความคิดอันดาดาปัป๊บเราก็ยกจิตมาสูลมหายใจถ้าหากว่าจิตของใครเมื่อเห็นความคิดดับปับ๊บมันไปอยู่กับลมหายใจเองก็ไปอยู่กับลมหายใจเองของใครเป็นแบบใ ด, ใ<ค>ดก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้า <Poland. S 2> มันไม่ไปเองเรา şeyi, ออต้องยกเขากลับไปอยู่ที่ลมหายใจ การยกจิตไปที่ลมหายใจเป็นการเริ่มตั้งความเพียรเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นในขณะที่จิตรู้ลมหายใจก็เห็นความคิดเกิดขึ้นพอมันดับไปก็เห็นว่ามันดับไปตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าต่อนเนื่องไปเรื่อยๆ ในการรู้ลมหายใจที่ไหลออกในการรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าลองปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสองแบบแบบหนึ่งก็ลองประคองลมหายใจให้มันยาวด้วยการหายใจเข้ายาวแล้วก็รู้เข้าไปหายใจออกยาวแล้วก็รู้เข้าไปหายใจเข้ายาวรู้เข้าไปรู้ลมหายใจที่ยาวรู้ลมหายใจออกที่ยาว รู้ลมหายใจเข้าที่ยาวรู้ลมหายใจออกที่ยาวรู้ลมหายใจเข้าที่ยาวรู้ลมหายใจออกที่ยาวรู้ลมหายใจเข้าที่ยาวรู้ลมยาวด้วยการบังคับของเรารู้ยาวเข้าไปรู้ยาวเข้าไปจนมันอึดอัดจนมันเป็นทุกข์แล้วก็ปรับลมหายใจให้มาเป็นปกติข้าวธรรมดา ออกธรรมดาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หลังจากนั้นปรับลมให้มันสั้นให้มันสั้นมากึ่งหนึ่งของลมที่มันธรรมดาหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้แป๊บเดียวเดียวมันก็จะทุกอึดอัดอแล้วก็ปล่อยลมหายใจให้มันธรรมดาขึ้นมา หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้เมื่อลมหายใจเป็นธรรมดาโดยผ่านการรู้ลมยาวรู้ลมสั้นเป็นลมธรรมดาแล้วเนี่ยตอนนี้ลมหายใจของเราก็จะเกิดความสับปายะเกิดความสบายจิตรู้ลมหายใจก็สบายตรงนี้ต้องระวังเมื่อยามที่จิตรู้ลมหายใจแบบสบายสบายแล้วธีนมิทะก็จะมาก่อน ให้จิตไปดูกายตั้งให้ตรงเมื่อลมหายใจเริ่มสับปายะเริ่มเกิดความสบายตั้งกายให้ตรงยืดกระดูกสันหลังให้ตั้งขนานให้ตั้งฉากกับพื้นให้ความรู้สึกตัวมันมาเต็มเต็มแล้วก็รู้ลมหายใจแบบสบายสบายหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้สบายสบายพอเรารู้ลมหายใจแบบสบายสบายเนี่ย สักพักหนึ่งมันก็อาจเกิดอาการเคลิ้มสำหรับบางคนเวลาเกิดอาการเคลิ้มก็จะสังเกตได้ศีรษะจะก้มไปข้างหน้าบ้างเอียงไปข้างซ้ายบ้างเอียงไปข้างขวาบ้างสติที่มีรู้อยู่นิดๆถ้ารู้สึกได้ว่าเรากำลังถูกความง่วงเข้าครอบหําให้ยืดกายให้ตรงยืดกายให้ตรงทันทีพอยืดกายให้ตรงเกิดความรู้สึกตัวอย่างแรง ความง่วงนั้นก็จะสลัดออกไปแล้วเราก็ไปรู้ลมหายใจต่อพอ ร, รู้ลมหายใจสบายๆไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เกิดอาการนี้อีกเกิดมาครอบงำอีกเราก็ยืดอีกคําว่าอูชุงการ ย, ยังปาณิทายะคือการตั้งกายให้ตรงนั่นเรียกว่าเราทําเพื่อปรารบความเพียรของเราทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆจนความง่วงที่เกิดนั้นสติมีกําลังเหนือกว่าจิตก็จะเห็น ความง่วงที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะเสียดแทงบีบคั้นจิตได้เราก็รู้ลมหายใจของเราต่อไปหายใจออกรู้หายใจเข้า ร, าารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้สำหรับท่านที่เกิดทุกเวทนาจากท่านั่ง ปวดส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าไม่สามารถที่จะล่อยให้มันคงอยู่ได้ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอริยาบทให้ตั้งสติและก็เปลี่ยนด้วยความรู้ตัวเหมือนเราหาบของอยู่บ่าซ้ายที่จะเปลี่ยนไปอยู่บ่าขวาค่อยๆบิดค่อยๆหมุนค่อยๆจับค่อยๆปรับค่อยๆวาง ทุกขณะที่เรากำลังจะเปลี่ยนท่านั่งนั้นเราจะต้องรู้ตลอดเขาจึงมีอำนาจน้อยกว่าสติของเราได้ให้ใจออกรู้ให้ใจเข้ารู้ต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ปบมีเสียงเข้ามาไม่ต้องไปปรุงแค่รู้ว่ามีเสียงเกิดขึ้นยกจิตกลับไปรู้ลมทันทีอย่าไปปรุงอย่าไปแต่งว่ามันเสียงอะไรเคาะตรงไหนดังตรงไหนอย่าไปปรุงยกกลับมารู้ลมหายใจทันทีและเสียงนั้นก็ดับแล้ว เมื่อจิตจับลมหายใจได้สนิทอย่างนี้ต่อไปก็ดูให้มันเข้มข้นขึ้นอีกดูในเนื้อลมหายใจดูในรายละเอียดของลมหายใจของเราในเนื้อลมหายใจหมายความว่าตั้งแต่เริ่มต้นการไหลของลมหายใจต้นลมเป็นอย่างไรคอยใส่ใจศึกษาให้ละเอียดในเนื้อลมหายใจใส่ใจทุ่มเท ความสนใจทั้งหมดลงไปที่ลมหายใจตั้งแต่ต้นลมว่าเป็นอย่างไรลมต้นลมนั้นเริ่มเคลื่อนออกมาเป็นอย่างไรมันแน่นมันนะมันเบามันบางในขณะที่เคลื่อนออกไปเป็นอย่างไรใส่ใจในเนื้อลมหายใจแบบเข้มข้นกลางลมเป็นอย่างไรปลายลมเป็นอย่างไรใกล้จะสุดเป็นอย่างไร พอเราใส่ใจในเนื้อลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจก็จะเห็นลมหายใจจะรู้ลมหายใจของตนชัดมากขึ้นเมื่อลมหายใจไหลออกสุดปับ๊บจิตมันก็จะเห็นจังหวะหยุดของลมหายใจในขณะที่ลมไหลออกสุดก็ดูลมหายใจเข้าต่อเนื้อลมหายใจที่ไหลเข้าเป็นอยังไรใส่ใจลงไป ทุ่มเทความใส่ใจลงไปในเนื้อลมหายใจตั้งแต่เริ่มต้นที่ลมมันเคลื่อนเข้าต้นลมเป็นอย่างไรขณะที่เคลื่อนเข้าไปเป็นอย่างไรปลายลมเป็นอย่างไรความหนาความเบาความหยาบความแน่นความแผ่วของลมแต่ละช่วงแต่ละตอนในขณะที่เขาไหลเข้าเป็นอย่างไรใส่ใจความสนใจลงไปในเนื้อลมหายใจเหล่านั้นจนสุดลมหายใจ จากนั้นเราก็ดูเนื้อลมหายใจที่ไหลออกอีกไหลออกก็ดูเนื้อลมหายใจที่ไหลออกจากนั้นดูเนื้อลมหายใจที่ไหลเข้าดูอย่างละเอียดลงไปอย่างนี้ระหว่างที่เราดูเนื้อลมหายใจใส่ใจในเนื้อลมหายใจของเราเราจะเห็นลมหายใจของเราหยุดมันหยุดช่วงจังหวะที่ลมออกสุดลมเข้าสุดนั่นแหละทีนี้เราก็ไปดูสิดูลมหยุด เมื่อลมหายใจออกสุดเราก็เห็นลมมันหยุดก um ็รู้รู้ลมหยุดรู้ว่าลมหายใจหยุดแล้วเราก็หายใจเข้าพอลมหายใจเข้าสุดจิตจ้องดูรู้ลมหายใจหยุดก็รู้ว่าลมหายใจหยุดแล้วก็หายใจออกเมื่อหายใจออกสุดรู้ลมหายใจหยุดแล้วก็หายใจเข้าเมื่อหายใจเข้าสุดรู้ลมหายใจหยุดแล้วก็หายใจออก หายใจออกสุดรู้ลมหายใจหยุดแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าสุดรู้ลมหายใจหยุดแล้วก็หายใจออกให้รู้ดูลมหายใจที่มันหยุดในระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นก็มารู้ลมหายใจออกธรรมดาธรรมดาสบายสบายหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ตอนนี้เรารู้ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้นั้นชัดง่ายสบายสบายมากขึ้นเราก็จะเกิดความรู้สึกเบา ตั้งแต่ด้านหน้าที่ลมหายใจมันเดินผ่านเบาๆสบายๆลงไปเราก็รู้อย่างนั้นแต่จิตยังอยู่ที่ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ มันมีความสงสัยอะไรเกิดขึ้นปั๊บจิตต้องรู้ว่ามีความสงสัยเกิดขึ้นพอจิตรู้ว่ามีความสงสัยเกิดขึ้นแค่นั้นแหละจิตรู้ที่มีกำลังจะทำให้ความสงสัยนั้นดับไปแล้วก็ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจเถะเกิดความมึนเกิดความง่วงเกิดความเคลิ่มขึ้นมาก็จิตรู้ว่ามีความมึนความง่วงความเคล่เกิดขึ้น นลยกจิตกลับไปรู้ลมหายใจคว้าความง่วงยังอยู่เราก็ยืดกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้ลมหายใจจิตเกิดความอัดอั้นความอับอั้นมีพื้นฐานมาจากโทสะเป็นพยาบาทนิวร์ ถ้ามันเกิดความรู้สึกอัดอั้นนั้นเราก็บริหารลมหายใจของเราให้มันทะลุความอัดอั้นนั้นลงไปให้ลมหายใจมันโปร่งให้มันโล่งให้มันสบายอาจจะหายใจเข้าแรงๆยาวๆแล้วก็ปล่อยออกมาสบายๆสบายด้วยจิตที่รู้สึกอย่างต่อเนื่องเพื่อคลายความอัดอั้นนั้นๆเมื่อความอัดอั้นอันนั้นหายไปเราก็รู้ว่ามันหายไปแล้วแล้วก็รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้า ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ลมหายใจมีเพียงแค่การเกิดและการดับเท่านั้นไม่มีสภาพใดที่เกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วกับชั่วกันมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแค่นั้นเองหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้จิตศึกษา ความเกิดความดับของสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงความรู้ที่เกิดจากการที่เห็นการเกิดการดับตามความเป็นจริงนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเอวะเบตังสมมัญญายาทัพทัพพังคือมันรู้เห็นด้วยปัญญาอันชอบในความเป็นจริงอย่างนั้น เพราะสิ่งนั้นมีความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมีความเป็นจริงที่มันดับไปมีความเป็นจริงที่มันเกิดและมันดับเท่านั้นเองจิตไปเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละเรียกว่าเอวะเบตังยถาภูตังสมัมมปัญญายทัพทบังคือการเห็นด้วยปัญญาอันชอบในความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ Hi, c e c k out. ให้จิตเกาะรู้อยู่กับลมหายใจไว้จิตของเรานั้นมันตกอยู่ใต้อํานาจของสิ่งต่างๆเยอะมากมายแต่ในขณะนี้เขาอยู่ใต้สติของเราอยู่ในอํานาจแห่งสติของเราเราให้เขารู้อยู่กับลมหายใจผูกเขาไว้ที่ลมหายใจอย่างเดียวด้วยจิตที่รู้ด้วยสติของเรา เขาหลุดออกไปสเสวยอารมณ์นันใดเขาก็ยกกลับมาการที่เขาไปสเสวยอารมณ์ต่างๆสร้างกรรมสร้างพพสร้างชาติให้กับเรามานับครั้งไม่ถ้วนเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายในวันนี้เราเจอพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จับเขามาผูกไว้นิ่งๆอยู่กับลมหายใจ หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ต่อเนื่องไปอย่างนี้ไม่ยอมให้เขาตกรั้งเขาไว้บ้างไม่ปล่อยให้จิตตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์ที่มีแต่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายหรือการเกิดการดับการเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่สุดไม่สิ้นหายใจออกรู้ หให้เจ้าเขารู้ความเพียรในการรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นความเพียรที่ชอบเพราะอะไรเพราะในความเพียร น, นั้นไม่มีอกุศลเกิดเลยถ้ามีอกุศลเกิดปับ๊บในความเพียร น, นี้มันก็จะละอกุศล น, นั้น อกุศลใดที่ยังไม่เกิดมันจะไม่เกิดขึ้นอกุศลใดที่เกิดอยู่มันก็จะละออกไปในการเพียรู้มันจึงเป็นความเพียรที่ชอบในขณะที่รู้ตามความเป็นจริงนี่เป็นกุศลประคองความเป็นจริงในในจิตที่รู้ต่อลมหายใจที่ถูกรู้นี้ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่มันเป็นการรักษากุศลการเพียนรู้ลมหายใจจึงถือว่าเป็นความเพียนชอบหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้เสียงกระทบเป็นสภาวะหยาบเสียงนั้นดับ จิตไม่สงสัยไม่คาใจยกกลับมารู้ลมหายใจทันทีหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้เกิดความปวดความเจ็บความชันความควมันความชาตามที่ต่างๆของร่างกายไม่เป็นไรให้มันปวดไปดูสิยังไงมันก็ไม่ตายยังไงขามันก็ไม่หัก ลองยกจิตกลับมารู้ลมหายใจดูสิว่าสติกับเวทนาที่เกิดอันไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าเราสามารถยกจิตกลับมารู้ลมหายใจได้ขณะที่ความปวดยังอยู่นั่นแสดงว่าสติมีกำลังเหนือกว่าเวทนาแล้วเราก็ดูอย่างซื่อๆตรงๆตามความเป็นจริงของเวทนานั้น ว่ามันยังตั้งอยู่ไหมมันยังตั้งอยู่ในขณะที่รู้ว่าเวทนาตั้งอยู่บีบขันกายดึงจิตยกจิตขึ้นไปรู้ลมหายใจดูถ้ายกจิตขึ้นไปรู้ลมหายใจได้วางความปวดนั้นไว้ที่กายได้นั่นคือขันติที่ชื่อว่าความอดทนเป็นขันติธรรมที่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจของเราอย่างแท้จริง เราเคยได้ยินแต่ขันติขันติความอดทนขันติความอดทนแต่เราไม่ได้เคยสัมผัสเนื้อของขันติที่ว่าเป็นความอดทนนั้นอย่างแท้จริงได้แต่การที่วางความเจ็บปวดไว้ที่กายยกความยกจิตนั้นขึ้นมารู้ลมหายใจได้เนี่ยจิตนั้นแหละที่ยกมาได้น่ะเป็นความอดทนสัมผัสกับความอดทนเกิดขึ้นเป็นอย่างแท้จริงหายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้พยายามอย่าวิ่งตามลมหายใจของตัวเองการวิ่งตามลมหายใจของตัวเองมันเคลื่อนออกจากความจริงได้ง่ายลมหายใจเรามันไปสุดอยู่เพียงแค่ปอดของเราเท่านั้นในตามความเป็นจริง เราวิ่งตามลมหายใจนนเราวิ่งไปถึงท้องวิ่งไปถึงไหนถึงไหนหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ข้าวดูจอ้องอยู่นิ่งนิ่งที่ช่องจมูกของเราบางครั้งบางคราวลมหายใจมันระพับมันหยุดเราก็รู้ว่ามันหยุด ลมหายใจมันหยุดเรารู้ว่ามันหยุดแล้วเราทําอย่างไรเราก็รู้อยู่รู้ลมหายใจหยุดนั่นแหละภาวะที่ลมหายใจมันหยุดนั่นแหละเราก็รู้ไปรู้ในภาวะที่ลมมันหยุดแล้วก็ดูมีสติไหมความหยุดมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างหนึ่งการลมหายใจหยุดมันจึงเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างหนึ่งก็รู้ไป แล้วลมหายใจมันกลับมาเราก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเขา้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเขา้าแล้วก็ศึกษาพิจรารณาขณะนั้นในขณะจิตนั้นที่รู้ลมหายใจมีอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาล้วนแต่เป็นสภาวะธรรมทั้งสิน้นสิ่งที่เกิดแทรกซ้อนขึ้นมาเหล่านี้เป็นสภาวะที่มีความเป็นจริงเหมือนกันหมดเลยคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เราแค่ไปรู้เท่านั้นแล้วมันก็ดับไปเราแค่ไปรู้มันก็ดับไปเมื่อสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปให้รู้ชัดลงไปว่ามันดับไปแล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปให้รู้ชัดลงไปว่ามันดับไปแล้วมันดับไปแล้วแล้วก็รู้ลมหายใจมันดับไปแล้วแล้วก็รู้ลมหายใจจิตเห็นสภาวะดับและรู้ชัดว่าสภาวะนั้นดับไปแล้วจะสะสมกําลังปัญญาให้กับจิตเพื่อที่จะรู้สภาวะภายใน หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ความม่วงเกิดให้ยืดกายให้ตรงแล้วก็รู้ลมหายใจ แค่รู้ลมหายใจไม่ต้องไปสงสัยบางครั้งรู้เรามันอ่อนอ่อนเนื่องจากความปวดมั่งความเจ็บมั่งถูกความคิดเบียดบีบคั้นเวทบีบคั้นจิตมั่งแต่ว่าพอมันรู้สึกด้วยรู้สึกตัวได้มันก็ยกไปรู้ลมหายใจแค่นั้นเองแค่ยกไปรู้ลมหายใจแค่นั้นเอง พ จ, จิตดูลมหายใจถ้าเราเห็นลมหายใจของเราลเลอียดอ่อนเบาบางแต่ว่าสติของเรายังเหมือนเดิมเราก็ดูมันตามที่เป็นจริงนั่นแหละที่ลมหายใจมันเบามันบางเวลามันเบาเบ า, บางเวลาหายใจเข้ามันก็เป็นขยักขยักมันไม่เป็นแนวเดียว เราก็รู้มนไปอย่างนั้น เวลาปวดทนได้ก็ทนทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนด้วยสติเคลื่อนชา้าชด้วยจิตที่กําหนดรู้การการขยับการเคลื่อนไหวของเท้าของขาในขณะที่เราเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จครบนั่งจิตวางการนั่งขึ้นมารู้ลมหายใจ นี่ระวังความง่วงนะอยาให้มันครอบงำสติพะมันเกิดขึ้นแั๊บสติเร็วเห็นความง่วงนั้นเกิดปั๊บยืดกายให้ตรงพอความง่วงนั้นหุดออกไปก็นำจิตไปรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าอย่างเดิม เ่าไปนี้ให้ยกจิตไปรู้ที่มือข้างขวานะขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแะยกมือขวาขึ้นเคลื่อนมือขวาไปช้าๆไปวางไว้ที่ข้อข้างขวาจากนั้นยกจิตมารู้ที่มือมือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึก หลังจากนั้นยกมือซ้ายขึ้นและเคลื่อนมือซ้ายช้าๆไปวางไว้ที่ข่อข้างซ้ายแล้วยกจิตกลับมาสู่ใบหน้ารู้เฉพาะอยู่ที่ใบหน้าของตนแล้วก็ระหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิเมื่อตอนที่เราลืมตาออกจากสมาธิแล้วจิตยังเป็นสมาธิค้างอยู่ สมาธิที่ตกอยู่ณขณะนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เรียกเป็นอุเบกขาเป็นความนิ่งของจิตที่ถูกจับผูกไว้กับลมหายใจเหมือนที่บอกว่าเหมือนสัตว์หชนิดที่จับเชือกผูกปลายเชือกไว้ที่เสาจิตเมื่อมันไม่ได้วิ่งไปที่ตาไม่ได้วิ่งไปที่หูไม่ได้วิ่งไปที่จมูกไม่ได้วิ่งไปที่ลิ้นไม่ได้วิ่งไปเสวยอารมณ์อันใดถูกจับผูกไว้กับลมหายใจมันก็จะ หมอบนิ่งอยู่ด้วยอำนาจของสติแม้ว่าเราออกจากสมาธิแล้วมันยังนิ่งอยู่ให้รักษาอารมณ์นิ่งอย่างนีไวายแล้วก็พักสิบนาที